ก่อจะมาถึงที่นี่ก็เรียกว่าผ่านมาหลายที่ตั้งแต่ทัพมิงขวัญ น, นะพอลงเครื่องมาทัามิงขวัญเป็นงานแรกพอเสร็จจากทัามิงขวัญก็ไปนู่นลันารีสอร์ทเชียงใหม่เจ็ดวันแล้วมาที่ตําพูนอีกเจ็ดวันนะมาต่อที่เขาใหญ่เจ็ดวันเรามาที่ท่ามแสงเทียนห้าวัน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 สมรรคกรมรมฐานเนีไม่พอถือศีลห้าฮิลีย์อะไรไปพอจะเริ่มวิปัสนาได้ด้วยรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักแก้ไขตนเองไม่ให้มีทุกข์อ่าตร น, นี้เป็นพระแล้วเป็นพระอริยเจา้าเป็นพระเจ้าชั้นไหนก็ว่ากันไปเห็นไหมมันมีให้เลือกได้แต่ทั้งหมดทั้งปวงนั้นคนที่จะไปเลือกประตูแถวนี้เข้าไปได้ต้องมีกุญแจอยู่หนึ่งดอก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 สติปัญญานี่เขาเรียกว่าคิดแบบตื่นเราไม่เรียกว่าเราไม่เรียกว่าคิดเราเรียกว่าปัญญาถ้าคิดนี่เขาเรียกว่าสังขารถ้าขาดสตินี่มันเป็นสังขารถ้ามีสติมันกลายเป็นปัญญาตัวเดียวกันนั่นแหละนะทีนี้ถ้าหากว่าไม่มีสติ <MAN> มันก็เรียกว่าหลับฝันกลางวันฝันลึงหลูกเรื่องล้านฝันเรื่องบ้านเรื่องช่องฝันเรืลล่องนวดเรื่องลาเบืง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 นั่งนานๆอยากลุกอยากลุกไม่ได้ลุกอ่ะอยากลุกก็เป็นกามาตัฐหาเมื่อได้ลุกอ่ะเป็นวิภวะตัฐหาเล่นงานเราอีกทีนี้ทําไงเอาอะไรไปแทนอยากเอานีรู้ดเข้าไปคือแก้ไขเอาความไม่สบายนั้นออกเสียความอยากอันเกิดจากความไม่สบายคืออยากความทุกข์ก็หายไปนะก็หายไป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 แล้วออกทางวัตถุนี่เขาออกมาเยอะมานานแล้วมันไม่พ้นเขาก็เลยมาออกทางด้านด้านจิตใจนี่แหละคือมารู้จักมาศึกษาเพราะนั้นทุกทุกครั้งนะเห็น ห, หญม่ก็ไฮเทคเหมนกันนะเห็นหทที่แพล่แสงเทียนนี่ใครเข้าวัดไปเดี๋ยวอยึดโทรศัพท์ก่อนเลยนะเพราะอะไรเพราะถือว่าเอามลรพิษเข้าไปสู่หัดนย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 ภาราหาเวปันจากขันธาความคิดเป็นของหนักเน้อพาราหาโรจะปุคโรคนโง่และแบกของความคิดพาไปภาราทานังทุขังโลเกการแบกความคิดการอยู่ในความคิดเป็นทุกข์ในโลกภารานิเคปันังสุของอังการสลัดความคิดทิ้งเสียเป็นความสุขนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าขันห้านั่นแหละแปลว่าความคิดอ่ะนะ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 เพราะฉะนั้นในวันนี้ก็คิดว่าน่าจะเพียงพอสําหรับเรื่องของเรื่องรายละเอียดเรื่องรูนะ้ำก็ยังไม่ลงลึกนะก็ขออนุมโมทนาสาธุในความตั้งใจของพวกพ่อแม่ผู้ญาติยายประสงค์ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ตั้งใจฟังอย่างทระหนอดทนมีสิ่งใดที่ไม่สุขอารมณ์หรือขัดข้องในจิตใจก็ขออภัย